หน้าที่ภรรยาหน้าที่ของภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อสามีของตนมี5ข้อเท่ากับหน้าที่สามีที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยาซึ่งได้กล่าวมาแล้วหัวข้อนั้นคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงสงเคราะห์ญาติมิตรข้างผัวดี 3. อย่านอกใจผัว 4. จงรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้และ 5. ขยันทำงานทั้ง5ข้อนี้เป็นหน้าที่คือ เป็นข้อจำเป็นที่ภรรยาจะต้องกระทำไม่ทําไม่ได้ใครไม่ทําเสียข้อที่ควรทราบอีกอย่างในหน้าที่คือหน้าที่ของใครคนนั้นจะต้องใส่ใจทําด้วยตนเองเป็นดีที่สุดถ้าแม้จำเป็นจะต้องให้คนอื่นช่วยจัดทําคนที่เป็นเจ้าของหน้าที่ก็ยังจะต้องเอาใจใส่สอดส่องซักถามกํากับไม่ใช่ปล่อยเลยแม่บ้านบางคนเข้าใจผิดเมื่อตอนมีฐานะดีมีคนใช้พอเพียงแล้ว และป ล, ปล่อยมือปล่อยมือทั้งในบ้านทั้งในครัวให้ขึ้นอยู่กับคนใช้ทั้งนั้นการทำเช่นนั้นน่ะทำได้แต่ในสายตาของผู้ชายแล้วก็ยังเห็นเป็นความบกพร่องของเมียอยู่นั่นเองต่อไปนี้จะขยายความในหน้าที่ภรรยาทั้ง5ข้อนั้นข้อ 1. การจัดงานดีคือเป็นคนเอางานและทำงานเป็นงานบ้านโปรดทราบว่ามีอยู่สองประเภทคือกองานในบ้านและขอ งานนอกบ้านงานในบ้านคืองานของครอบครัวเช่นการจัดบ้านเรือนการหุงหาเลี้ยงดูการรับรองแขกการเยี่ยมเยียน ญ, ญ, ญาติพี่น้องการช่วยเหลือญาติการทำบุญสนทานการทำความสะอาดเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นงานในบ้านแม้ว่าบางงานจะต้องไปทำนอกบ้านเช่นไปซื้อของไปเยี่ยมญาติหรือไปช่วยงานเพื่อนบ้านก็นับว่าเป็นงานในบ้านคือเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับ ทางครอบครัวส่วนงานนอกบ้านหมายถึงงานอาชีพซึ่งพ่อบ้านหรือแม่บ้านไปทําเพื่อหาไรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของตัวคนทำอย่างเช่นผัวไปทํางานราชการอํานาจหน้าที่ที่ผัวมีอยู่ในราชการนั้นเป็นงานนอกบ้านสําหรับครอบครัวที่ทำมาหากินเองเช่นพ่อค้าหรือชาวนาชาวสวน การวิ่งเต้นติดต่อค้าขายขึ้นรองขึ้นสายเป็นงานนอกบ้านในงานสองอย่างนี้ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านจะต้องรับทําและรับรู้ทั้งสองอย่างแต่โดยทั่วไปแล้วเราแบ่งกันอย่างนี้เมียรับทํางานในบ้านและรับรู้งานนอกบ้านผัวรับทํางานนอกบ้านและรับรู้งานในบ้านหมายความว่าต้องรับทําด้านหนึ่งไว้เต็มแรง และในโอกาสเดียวกันก็รับรู้งานอีกด้านหนึ่งด้วยพระพุทธโอวาทกำหนดหน้าที่ภรรยาข้อที่หนึ่งที่ว่าจัดแจงการงานดีนั้นโดยตรงคือจัดแจงงานในบ้านเช่นการกินอยู่หลับนอนของคนในบ้านควรจะจัดจะทําแค่ไหนสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรมอบหมายให้ใครทําแม่บ้านจะต้องมองงานในบ้านให้ทะลปโปุโปรง่งและต้องเข้าถึงงานทุกอย่างด้วยตัวเอง จะด้วยการลงมือทําเองหรือมอบให้คนอื่นทําก็ตามพูดมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนมายืนอยู่บนปลายของแผ่นไม้กระดกเห็นจะต้องขอกระโดดให้สุดแรงผิดถูกค่อยว่ากันทีหลังคืออยากจะควักหัวใจของผู้ชายออกมาให้คุณผู้หญิงดูและรับทราบไว้โดยปกติแล้วพวกผู้ชายมีนิสัยชอบเอาใจคือให้มีคนอื่นคอยปฏิบัติหรืออย่างน้อยก็มาสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้เอาใจนั้นเป็นเพศตรงกันข้ามด้วยผู้ชายทุกคนจะรู้สึกว่ามีความสุขใจและภาคภูมิใจเป็นพิเศษมันเป็นความจริงโถข้าวตั้งอยู่ข้างตัวแล้วตักกินเองก็ได้แต่มันไม่อร่อยเหมือนมีผู้หญิงตักให้กับข้าวจานเดียวกันนั้นเองตักกินเองมันก็อร่อยอยู่แต่ถ้ามีสตรีเพศช่วยภาคให้ด้วยทานสิคะร้อยอร่อ ย, ออยผู้ชายจะรู้สึกว่าอริดอร่อยเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ถ้ากลับถึงบ้านผิดเวลาหน่อยโดนที่บ้านทำเฉยเสียหรือเพียงแต่ชี้บอกประตูเข้าครัวหากินเองจ้ะเข้าครัวไม่ถูกแล้วหรืออาหารการกินมันจะจืดชืดไม่เป็นท่าเลยพูดมากจะทำให้คุณผู้หญิงนึกหมันไส้คนพูดจะคิดเอาว่าอิตมหาปิดแกก็ต้องให้ยกประเคนเรื่อยใครโดนเข้าก็กรรมไม่ใช่นี่ข้าพระเจ้าพูดให้ฟัง หัวใจของผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาหาปิดละที่บ้านของคุณเองก็อย่างนี้ใจเดียวกันแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองหรือคุณไม่อยากรู้ความจริงการรับรู้ความจริงเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาอันลี้ลับในครอบครัวได้คู่สมรสมากมายพออยู่กินด้วยกันยังไม่ทันกระไรลูกสองลูกสฝ่ายชายชักจะเนินเฉยแล้ว ก็บอกแล้วว่าสันดาณของผู้ชายนั้นชอบเอาใจถ้าพูดให้จ๊กจี้ใจกว่านี้ก็ต้องว่าชอบ อ, อ้อซ้อเมื่อครั้งโ น, น้นคุณจำได้ไหมแม้แต่พระเอกของคุณกินกล้วยคุณก็เป็นห่วงว่าเขาจะปอกเปลือกลาบากคุณเป็นห่วงกับความเป็นอยู่ของเขาเกือบทุกลมหายใจคุณสมบัติอันนี้ทำให้เขาคิดว่าคุณจะเป็นมิ่งมิรคู่ชีวาของเขาเขาจึงเพียนพยายามแต่งงานด้วย ผู้หญิงดีอย่างคุณเท่าไหร่เท่ากันถึงหมาจะดุ ก, ก็ยอมสู้ถึงไม้ทะพจนจะเพ่นพ่านอรอบบ้านคุณก็เสี่ยงแวกว้ายเข้าไปหาแต่พอลูกสองลูกสามแล้วเขาถูกคุณทอดทิ้งเข้าครัวแล้วยังไม่รู้จะกินอะไรเสียอีกขอโทษเถอะคุณผิดเสียแล้วแล้วก็ข้อผิดพลาดอันนี้แหละที่จะกลายเป็นความพ่ายแพ้ของคุณในโอกาสต่อไปเมื่อเขาเกิดไปได้รับความเอาใจจากที่อื่นท่านขาอ้าปากสิคะ อีกนิดเธอคะค่ะอีกหน่อยนะคะแล้วจะว่าอย่างไงก็บอกแล้วว่าสันดานของผู้ชายมันชอบเอาใจหนักเข้าก็กลับบ้านไม่ถูกแล้วจะโทษใครคุณจะอวดแต่ฝีมือเธอขืนไปมีที่ไหนแม่จะตามเฮี้ยวให้เด็ดขาดเลยไม่สำเร็จหรอกคุณคิดจะเด็ดขาดนะ่ะมันขาดได้แต่มันจะขาดข้างไหนยังเป็นปัญหาอยู่ข้างเขาหรือข้างคุณ ก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิสัยชายคล้ายกับคชสารถ้าหมอควานรู้ทีดีขยันแต่ถ้าว่าบางยกตกน้ำมันต้องรู้จักผ่อนผันจึงเป็นเพลงกุลสตรีที่ฉลาดในการจัดบ้านเรือนย่อมเป็นสีของบ้านทุกคนที่เป็นสามีจะรู้สึกภาคภูมิใจสำหรับงานนอกบ้านอันเป็นหน้าที่ของผัวนั้นเมียดีต้องแค่รับรู้ ถ้าเกิดรับทำเสียแล้วบางทีเสียคือเพียงแต่รับรู้เท่านั้นว่าเวลานี้ผัวของตนอยู่ในฐานะอย่างไรทางด้านการงานมีงานมากมั้ยุ่งมากมั้ยต้องปกครองผู้คนแค่ไหนงานการก้าวหน้าดีอยู่หรือมีเหตุร้ายใดๆบ้างที่ทางานแล้วงานอย่างที่เขาทานี้มีอะไรบ้างที่ทางบ้านจะต้องให้ความสนับสนุนจะได้ฟอร์มงานบ้านให้กลมเกลืนกันอย่างนี้เรียกว่า รับรู้งานของสามีพูดมาถึงตรงนี้ก็มาถึงความลับของโลกเข้าอีกจุดหนึ่งแล้วพูดไปก็เสียนิ่งไว้ก็จะเสียแต่ได้ช่างกันดูแล้วก็นิ่งไว้จะเสียมากกว่าพูดหลายเท่านักพูดออกไปถึงจะเสียก็เพียงว่าท่านผู้อ่านบางคนจะเกลียดขี้หน้าข้าพเจ้าเสียเท่านั้นเองและถ้ามันเสียเพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไป ถ้าความเกลียดขี้หน้าข้าพเจ้านั้นมันมีผลทําให้ข้อบอกพร่องในสังคมหมดไปได้ข้าพเจ้าก็ยอมให้เกลียดนึกว่ามีหน้าไว้ให้คนเกลียดเอาบุญก็แล้วกันเรื่องที่ว่านี้คือฝ่ายสตรีบางคนเข้าใจงานผิดไปได้บอกแล้วว่ามีงานสองประเภทคืองานในบ้านกับงานนอกบ้านขอบเขตหน้าที่ของภรยาอยู่แค่ว่ารับทํางานในบ้านแต่รับรู้งานนอกบ้าน ประเด็นหลังนี้หมายถึงรับรู้งานในหน้าที่ของสามีที่ว่าผิดนั้นคือไปรับทำงานในหน้าที่ของสามีเข้าที่มีอยู่มากในจำพวกผู้ที่สามีเป็นข้าราชการและเป็นผู้มีอานาจหน้าที่สูงจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเผลอไผลไปก็ไม่ทราบบางคนคิดเพลินไปว่าบรรดาข้าราชการผู้คนที่อยู่ในบังคับบัญชาของผัวก็คือคนในบังคับบัญชาของตนด้วย มีการเรียกคนนั้นมาสั่งงานเรียกคนนี้มาใช้ดุคนนี้ตำหนิคนนั้นให้ยุ่งไปหมดคือทำเสมือนว่าตนมีอำนาจสั่งการเหมือนกับผัวแล้วที่ร้ายยิ่งกว่านั้นยังพูดจาเป็นเบี้ยบนของผัวเสียด้วยซ้ำฉันได้สั่งให้ไล่คนนั้นออกให้บรรจุคนนี้เข้าให้มีอันสอดแทรกเข้าไปหมดมีการวางแผลเลือนลดปลดย้ายจิ ป, ปัถะ พฤติการเช่นนี้เป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งของภรยาจริงคนทั้งหลายเขาครับกระผมโค้งแล้วโค้งอีกเพื่อเอาใจแต่ความเร้นลับในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อรับหลังเขาพากันตำหนิติเตียนว่าเกินดีเกินงามพูดกันอย่างไรไม่เกรงใจก็ต้องว่าพวกผู้ชายพากันรังเกียจหญิงประเภทนี้มากประเภทวางอานาจแข่งผัวนี่ การที่อวดตัวว่าได้สั่งให้ผัวย้ายคนนั้นปลดคนนี้ก็เป็นการทำลายเกียรติศักดิ์ของผัวต้นลงไปไม่เป็นผลดีใดๆเลยขอบเขตรับงานของเมียนั้นสุดแต่ว่ารับทำงานในบ้านและรับรู้งานนอกบ้านเท่านั้นทำกับรู้ถ้าใช้สลับที่กันแล้วมีหวังเสียข้อ2การส่งเคราะห์ญาติมิตรข้างผัวข้อนี้ความเจมชัดอยู่แล้ว และได้อธิบายมาพอสมควรในตอนก่อนที่ว่าด้วยการจ่ายทรัพย์การสงเคราะห์ญาติมิตรของฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่พ่อบ้านแม่เรือนจำเป็นจะต้องทำตามกาละอันควรแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงวางงานสงเคราะห์ไว้ในหน้าที่ของภรยาหากจะถามว่าเหตุใดจึงไม่วางไว้ในหน้าที่ของสามีด้วยก็มีเหตุผลที่พอจะยึดถือได้อยู่คืองานสงเคราะห์เป็นงานประเภทงานในบ้าน ซึ่งโดยปกติแล้วเมียเป็นคนทำํำการจับจ่ายภายในบ้านก็ขึ้นอยู่กับเมียเพราะฉะนั้นงานสงเคราะห์ก็เลยลงไว้ในหน้าที่ของเมียผัวเป็นฝ่ายรับรู้ขืนไปเที่ยวซื้อผ้าเชดหน้าสงเคราะห์คนนั้นซื้อน้ําหอมสงเคราะห์คนนั้นอย่างนี้เสียอีกจะเสียให้เมียเขาทําเองปลอดภัยดีกว่าการสงเคราะห์ญาตินั้นไม่มีปัญหาญาติก็หมายถึงญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายส่วนมิตร หมายถึงคนข้างเคียงของผัวเช่นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเพื่อนร่วมการงานกันคนเหล่านี้เมื่อได้รับการส่งเคราะห์จากภรรยาด้วยน้ำใจอันงามแล้วย่อมจะช่วยเหลือสนับสนุนงานของสามีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและจะมีมิตรจิตมิรใจเสมือนหนึ่งเป็นญาติของครอบครัวเราในโอกาสหน้าพึ่งพากันเป็นส่วนตัวได้ด้วยข้อสม อย่านอกใจผัวนอกใจคือทำอย่างไรเห็นจะไม่ต้องอธิบายเอาเป็นว่าทราบกันอยู่แล้วความหมายก็คือการไปร่วมสมัครรักใคร่กับชายอื่นในฐานะชู้สาวจนถึงกับได้เป็นเมียเพราะความประพฤติอย่างนี้เป็นอันตรายร้ายแรงเกี่ยบความสงบสุขในครอบครัวในหนังสือคำบรรยายพุทธศาส์ฉบับฉลอง25พุทธศตรวรรษ ข้าพเจ้าได้พูดไว้ในตอนศีลข้อกามเมหลายแง่หลายประเด็นซึ่งพอจะรวมใจความลงมาเน้นไว้ในที่นี้ไว้ว่าแกนหลักของครอบครัวที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านเรือนไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ทะเบียนสมรสแต่หากเป็นความรักความรักนั่นแหละคือแกนหลักของครอบครัวแม้จะยากจะจนข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อบ้านช่องไม่มีจะอยู่เหลือแต่ความรักอย่างเดียวครอบครัว ก็ยังคงตั้งอยู่ได้ท่านเองก็คงจะเคยเห็นผัวเมียที่ยากจนบางคู่หมดเนื้อหมดตัวถึงกับออกขอทานเขากินนอนค้างกายตามร่มไม้ก็มีเพราะความรักเขายังอยู่ความรักนั้นเป็นสมบัติทางใจของผัวเมียมันไม่มีที่ซื้อไม่มีที่ขายมันก็เกิดขึ้นจากน้ำใจอัน ง, งดงามของสองฝ่ายรวมกันความรักจะว่าเป็นของเปราะแตกง่ายหักง่าย ก็ไม่ใช่ถูกโจรปล้นกวาดเอาทรัพย์ไปเกลี้ยงบ้านความรักก็ยังอยู่ไฟไหม้บ้านหมดเรียบแล้วความรักก็ยังอยู่ความรักเป็นของมั่นคงอย่างประหลาดยืดไปรักกันถึงฟากน้ำฟากทะเลก็ได้แม้แต่ฝ่ายหนึ่งถูกพรากด้วยแรงกรรมไปติดอยู่ในตารางความรักก็ตามเข้าไปได้ไม่มีอะไรที่จะตัดความรักลงได้แม้แต่ฝ่ายหนึ่งถูก มริตอยู่พรากไปแล้วความรักของคนอยู่เบื้องหลังยังรักตามเขาไปถึงในหลุมฝังศพไฟไหม้แล้วเหลือแต่กระดูความรักก็ยังเหลือความรักทั้งมั่นทั้งเหนียวทั้งยืดหยุ่นได้ยากที่จะทำลายแต่มีสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นศาสตราผานความรักให้วอดวายได้อย่างง่ายดายและชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นสิ่งที่ว่านี้คือการนอกใจ เมียไปเป็นชู้กับชายอื่นเมียที่ผู้ชายถือว่าชาติชั่วที่สุดคือเมียที่นอกใจผัวไปเป็นชู้กับชายอื่นรู้ว่าเมียเป็นชู้เมื่อไหร่ความรักของผัวจะสิ้นสุดลงทันทีรู้ข่าวในนาทีใดก็เลิกรักในนาทีนั้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนวันเสาร์วันอาทิตย์รู้เมื่อไรก็เลิกเมื่อ น, นั้นการนอกใจเป็นศาสตราประหารความรักที่ร้ายแรงที่สุดแล้ว แม้ว่าผู้ชายคนใดจะตัดรักเมียที่มีชู้ผู้ชายทั้งโลกก็จะเห็นใจเขาแม้แต่พ่อตาเขาเองก็เข้าข้างลูกเขยที่หยากกับลูกสาวตัวข้างหัวอกลูกผู้ชายด้วยกันแม้จะเป็นเพื่อนรักเพื่อนใครอาจหยิบยืมเงินทองข้าวของกันใช้ได้ทุกอย่างหรือแม้แต่ชีวิตก็อาจตายแทนกันได้แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งมาเป็นชู้กับเมียตัวเสียแล้วทั้งสองก็กลายเป็นอริ ก, กัน มิตรสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองจะขาดสะ บ, บั้นในทันทีทันใดการให้อภัยในเรื่องนี้ไม่เคยมีนอกจากจะเพียงแต่ข่มใจไว้บ้างเท่านั้นพระพุทธองค์จึงทรงพร่ำสอนแล้วแล้วเล่าๆไม่ให้ผัวเมียนอกใจกันฉะนั้นถ้ารักตัวรักลูกรักครอบครัวอย่านอกใจผัวเป็นอันขาดการนอกใจผัวก็คือนอกใจคนทั้งโลกเพราะจะไม่มีใครเห็นใจท่านเลยแม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวของท่านเอง ปัญหาเรื่องการนอกใจนี้มีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่แก้ไม่ตกและพยายามจะเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมคือหนุ่มสาวที่รักกันมาก่อนเป็นความรักแท้รักด้วยใจจริงแต่แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมให้แต่งงานกันไปบังคับใจให้เขาแต่งกับคนอื่นซึ่งไม่ได้รักด้วยความเกรงกลัวพ่อแม่เด็กจึงยอมแต่งงานกันอย่างแกนแกนคือจำใจแต่งแต่ความรักเดิมก็ยังอยู่ มันตัดไม่ขาดจริงๆครั้นไปครั้นไปทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันและเกิดความเห็นอกเห็นใจกันผลที่สุดก็รอบได้เสียกันการน่องใจแบบนี้มีอยู่มากในสังคมที่เอาความในใจมาถ่ายเทไว้กับผมก็มีหลายรายพยายามที่จะให้ผมบอกเขาว่าที่ทำไปนั้นทางศาสนาไม่ลงโทษโดยที่เอาความรักเดิมขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องความเห็นใจ ในกรณีเช่นนี้ผมก็ช่วยได้เพียงแต่แสดงความเห็นอกเห็นใจผมบอกเขาว่าถ้าโดนตัวผมบ้างก็จะลำบากใจไม่น้อยแต่จะให้รับรองว่าทางาศาสนาไม่ตำหนินั้นรับรองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดได้อ่านหนังสือก่อนที่จะสายเกินไปก็โปรดพิจารณาให้ดีในฐานะที่ท่านมีลูกสาวลูกชายจะตกลงใจรับมั่นลั่นวาจากับใคร ก็ควรจะสักถามความในใจของลูกให้แน่ก่อนให้ลูกแต่งงานกับคนที่เขารักกับให้โลกตราหน้าทีหลังว่าเป็นหญิงเล่นชู้อย่างไหนจะดีกว่ากันและถ้าคุณผู้อ่านเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงานควรจะได้พิจารณาตกลงใจเดือดรอบคอบถ้าไม่สามารถจะปัดความรักเก่าออกจากใจได้เรียบร้อยก็ไม่ควรจะแต่งงานเป็นโสดจนตายดีกว่า อย่าให้โลกตราหน้าว่าเป็นหญิงกากีมีสองใจข้อ 4. จงรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ในหน้าที่ของสามีข้อที่4พระพุทธองค์ทรงกรำหนดไว้ว่าให้มอบความเป็นใหญ่ทางบ้านให้แก่ภรรยาคือมอบให้จับจ่ายเงินทองมอบให้ดูแลรักษาทรัพย์ในบ้านพอมาถึงหน้าที่ภรรยาข้อที่4พระองค์ก็ทรงวางหน้าที่ไว้ว่า ให้รักษาทรัพย์ที่ผัวทรมาหาได้ซึ่งเป็นหลักเสนอของกันพอดีข้อควรปฏิบัติสำหรับเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างได้ว่ามาพอแล้วในตอนก่อนที่ว่าด้วยหลักความสุขสมบูรณ์จึงเป็นอันหมดความจำเป็นที่จะต้องพูดซ้ำอีกประการสำคัญแม่บ้านจะต้องยึดหลักให้ดีในการดูแลรักษาทรัพย์และน่าจะต้องตระหนักในค่าของทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้มากกว่า ที่สามีเองตีราคาไว้สักสิบเท่ายี่เท่าเสียด้วยซ้ำข้อที่หขยันในกิจการทั้งปวงหน้าที่ข้อนี้ดูเผลๆเหมือนกับจะซ้ำกับข้อที่หนึ่งแต่ความจริงก็ไม่ซ้ำความหมายคนละทางข้อที่หนึ่งหมายถึงว่าภรรยาจะต้องเป็นคนฉลาดเข้าใจจัดงานอะไรควรไม่ควรส่วนข้อที่หนี้เป็นเรื่องของความขยันเอางานเอาการ ถ้าพูดตามสำนวนนักธรรมก็จะต้องพูดว่าหน้าที่ข้อหนึ่งต้องมีปัญญาส่วนข้อที่5ต้องมีวิริยะความขยันของแม่บ้านนั้นต้องแสดงออกไปในเรื่องทำงานในบ้านไม่ปล่อยงานให้ข้างค้างไม่ทอดทุระหรือปล่อยประละในกิจที่ควรทำและสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยเสียคือขยันบํารุงรักษาตัวให้เป็นสีของบ้านเรือนอย่าปล่อยตัวจนเกินไป เรื่องความขยันหมั่นเพียร น, นี้ก็ได้อธิบายมาสองพักสามพักแล้วจึงขอผ่านไปเลยทีเดียวศักดิ์ศรีอยู่ที่หน้าก่อนที่จะผ่านเรื่องหน้าที่ของสามีภรรยาไปข้าพเจ้าใคร่จะขอย้ำความรู้สึกจากที่ได้ศึกษาพระพุทธโอวาทอีกครั้งว่าคนเรานี้จะมีสเสน่ห์สวยงามเพียงใดสําคัญอยู่ที่หน้าหน้าดีก็มีคนรัก ถ้าหน้าเสียแม้ส่วนอื่นจะดีก็ไม่มีใครนิยมหน้าเป็นตำแหน่งที่รวมสง่าราศีทั้งหมดในตัวคนเช่นเดียวกันศักดิ์ศรีของครอบครัวก็รวมอยู่ที่หน้าแต่หน้าของครอบครัวนั้นอยู่ที่หัวหน้าของครอบครัวคือผัวกับเมียถ้าทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เรียบร้อยครอบครัวก็มีศักดิ์ศรีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงพร่ำสอนให้ทั้งสองฝ่าย สังวรในหน้าที่ของตนให้จงหนะัก 4. วงตระกูลสิ่งประสงค์อันสุดท้ายของผู้ครองเรือนคือต้องการได้เห็นความสถิตสถาพรของวงตระกูลของตนดังนั้นเรื่องวงตระกูลจึงตามมาเป็นยกสุดท้ายของเรือนชั้นนอกแต่จะเสนอท่านผู้อ่านเพียงเป็นข้อคิดสังเขตเท่านั้นว่าการแต่ต้นเรื่องก็พอ เพราะกว่าปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็จะเป็นเวลาที่ท่านผู้อ่านเองได้ผ่านงานครองเรือนมาแล้วพอสมควรความห่วงวงตระกูลความรักลูกและความสำนึกในหน้าที่ที่มารดาบิดาจะเป็นเครื่องกระตุ้นใจและชี้บอกเลยว่าอะไรบ้างที่ควรจัดควรทําต่อไปในที่นี้จึงขอเสนอเพียงข้อคิดบางประการเท่านั้นความดารงมั่นคงของวงตระกูลขึ้นอยู่กับ คนที่เป็นทายาทของตระกูลนั่นเองคนอื่นไม่เกี่ยวด้วยเท่าใดนักฉะนั้นเมื่อมุ่งถึงความมั่นคงของตระกูลเราจะต้องมองไปที่ทายาทของเราหรือถ้าจะพูดกันเสียตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือลูกของเราเองถ้าลูกของเราเป็นคนดีตระกูลก็จเจริญมั่นคงตรงกันข้ามถ้าลูกเรามันไม่เอาฐานหรือเป็นคนเกกมาเลกเหลวไหล แม้จะมีกองมรดกนับล้านไว้ให้ก็ไม่พอที่จะให้ลูกผาเล่นในทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการให้พ่อแม่ปฏิบตัติต่อลูกดังนี้ 1. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ได้รับการศึกษา 4. หาภรรยาในวงเล็บหรือสามีที่สมควรให้และ5มอบทรัพย์ หลักทั้งห้านี้ดูเป็นย่าปากข้อของชาวพุทธถ้าดูเพียงเผลอๆจะไม่เห็นอะไรน่าสนใจแต่ถ้าท่านผู้อ่าน ล, ลองพินิษ์ดูเขาโครงหลัก5ประการนี้อีกสักครั้งอย่าไม่คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ลองกลับความคิดเสียใหม่เพ่งมองหลักห้าประการนี้ในฐานะที่ท่านจะเป็นผู้ปั้นคนคนหนึ่งให้เป็นผู้เหมาะสมที่จะสืบวงตะโกลหลักห้านี้คือโครงการที่พระอริยเจ้าองค์หนึ่งวางไว้ ดูสิท่านสองข้อแรกท่านมุ่งถึงการเพราะนิสัยข้อที่สท่านมุ่งถึงการให้การศึกษาและข้อ4และ5ว่าโดยการหาหลักแหล่งพระพุทธเจ้าตรัสหลักนี้ไว้ตั้งแต่สมัยมนุษย์ยังเดินย่ำตามโคบัดนี้โลกวิวัฒนาการมาถึง26สศตวรรษเข้ายุคดาวเทียมแล้วหลักที่ว่านี้ยังเหมาะเจาะทันสมัยอยู่เสมอผมคิดว่าในการสร้างคุณลักษณะให้แก่ลูก และปลูกฝังให้เขามีหลักเพียงใช้โครงการของพระพุทธองค์เท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วเพราะนิสัยงานนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดของผู้เป็นพ่อแม่คือการสร้างนิสัยลูกให้ดีข้าพเจ้าเคยเขียนไว้ในบทความเรื่องพ่อแม่ซึ่งเคยเผยแผ่ออกไปนานแล้วว่าโบสถ์วิหารอาคารบ้านเรือนสำคัญที่พื้นต้องตอกเข็มลงพื้นให้แข็งแรงจึงจะสร้างให้ใหญ่โตได้ ถ้าพื้นไม่ดีพอถึงสร้างแล้วกว็สุดแล้วถ้าลงได้สุดแล้วมันซ่อมยากให้ฝาพังหลังคารั่วเสียยังซ่อมง่ายกว่าถ้าซุดที่พื้นรากฐานนอกจากจะซ่อมยากแล้วยังเอาดีไม่ได้ด้วยต้องซุดๆุดซ่อมๆ่อมกันไม่รู้จักจบสิน้นมีดพระจอบเสียมก็เหมือนกันถ้าใช้เหล็กดีเป็นพื้นก็ใช้การได้ดีรับให้คมสักครั้งสองครั้งก็ใช้การอะไรได้นาน แต่ถ้าลงได้เนื้อเหล็กมันไม่ดีแล้วก็ใช้การอะไรไม่ค่อยได้โดนอะไรหน่อยก็บิดเบี้ยวไม่เป็นมีดเป็นพระคนเราก็เหมือนกันสำคัญที่พื้นเดิมที่ว่าพื้นเดิมนี้ข้าพเจ้าหมายถึงนิสัยใจคอของเด็กเองถ้าเป็นคนพื้นเดิมดีจะคิดอ่านทำอะไรก็ดีที่เรียกว่าทำขึ้นคือเอาดีได้เรียนหนังสือก็ขึ้นครองเย่าเรือนก็ขึ้น ทำราชการก็ขึ้นทำมาค้าขายก็ขึ้นให้บวชเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ขึ้นตรงกันข้ามถ้าลงได้เป็นคนพื้นเสียแล้วทําอะไรก็เอาดียากมีแต่สุดชะตาเสียตลอดชาติสิ่งปลูกสร้างนั้นพื้นจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่นายช่างผู้ก่อสร้างส่วนคนเราพื้นจะดีหรือไม่ดีอยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กาเนิดเป็นผู้แบ่งเลือดแบ่งเนื้อให้ลูก และประการสำคัญพ่อแม่เป็นผู้ทำการอบรมสั่งสอนลูกก่อนครูบาอาจารย์อื่นๆคือสอนตั้งแต่ออกแต่อ้อนมาทีเดียวทางพระศาสนายกย่องพ่อแม่ว่าเป็นบุรพาจารย์แปลว่าเป็นอาจารย์ต้นของลูกที่พ่อแม่เป็นผู้อบรมสั่งสอนลูกก่อนครูบาอาจารย์อื่นๆนี่แหละเป็นการสร้างพื้นให้ลูกถ้าอบรมสั่งสอนดีก็หมายความว่าทาลูกให้เป็นคนพื้นดี เมื่อพื้นดีแล้วเท่ากับมีสิริมงคลประจำตัวจะเป็นคนทำอะไรขึ้นโชคดีไปตลอดชาติแต่ถ้าอบรมสั่งสอนไม่ดีก็เป็นอันว่าทำลูกเป็นคนพื้นเสียลงได้พื้นเสียแล้วก็เท่ากับว่ามีเสนีย์จันไรประจำตัวทำอะไรไม่ขึ้นเคราะหร้ายอยู่ร่ำไปหน้าที่ในการเป็นพ่อคนแม่คนจึงไม่ได้เสร็จสิ้นอยู่เพียงได้ให้ลูกเกิดมา และเลี้ยงไว้ให้มีลมหายใจอยู่เท่านั้นเพราะนั่นเป็นเพียงการให้กําเนิดซึ่งน้อยคนในโลกนี้ที่จะทําไม่ได้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์โลกอื่นๆเขาก็ให้กําเนิดกันได้ที่แท้หน้าที่ของพ่อแม่นั้นต้องหมายถึงการเลี้ยงลูกให้เติบโตด้วยให้เป็นคนดีด้วยการเลี้ยงให้โตหลายร้อยเท่านั้นพ่อแม่จะต้องรู้เหตุผล รู้วิธีและทำการอบรมสั่งสอนให้ถูกวิธีด้วยลูกจึงจะดีเพราะค่าที่พ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตทั้งเป็นผู้สร้างพื้นเพออันดีให้แก่ลูกอย่างนี้อุปการรักคุณของพ่อแม่จึงเป็นสิ่งที่ลูกจำต้องเทิดทูนไวในฐานะอันสูงวิธีเพาะนิสัยนี้พระพุทธองค์วางไวสองข้อคือห้ามไม่ให้ลูกทำชั่วและสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดีในทางปฏิบัต พ่อแม่จะต้องพยายามกีดกันลูกไม่ให้ประพฤติในทางที่ชั่วเช่นรังแกคนอื่นฝ่าฝืนกฎหมายหรือมัวเมาในอบายามุกเป็นต้นแต่พยายามให้เขาได้รับการอบรมในทางที่ดีตามควรแก่วัยเช่นนำไปวัดไหว้พระทำบุญสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และทำประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นผลของการอบรมนิสัยตามหลักของพระพุทธเจ้าจะสังเกตได้ว่าเด็กมีนิสัยรักดีเกลียดชั่ว ให้การศึกษาหมายถึงการอุดหนุนให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาความรู้พอที่จะทํามาหากินและดํารงชีวิตอยู่ในโลกได้ด้วยดีตกมาในยุคนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ายิ่งโลกจเจริญขึ้นเท่าไหร่ความรู้ยิ่งจําเป็นมากเท่านั้นสมัยก่อนมีความรู้แค่ปสองปสี่ก็หางานทําได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้ม6แล้วยังหางานทําไม่ได้ คนไม่มีวิชาความรู้นับวันแต่จะลําบากแต่พระพุทธองค์ทรงกําหนดไว้ในหน้าที่ของพ่อแม่แล้วว่าจะต้องพยายามอุดหนุนให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยได้ส่วนวิชาที่จะศึกษานั้นก็แล้วแต่เหตุการณ์และอุปนิสัยของเด็กซึ่งพ่อแม่จะต้องใช้ดุลพินิจเองหาหลักแหล่งหลักที่4หาภรยาในวงเล็บ หรือสามีที่สมควรให้และที่5มอบทรัพย์ให้สองหลักนี้เป็นปัญหาเรื่องการปลูกฝังลูกให้เป็นหลักแหล่งวิธีเลือกภรยาข้าพเจ้าว่ามาแล้วในภาคเรือนชั้นในวิธีหาทรัพย์ก็บรรยายไว้แล้วในตอนต้นของภาคเรือนชั้นนอกไม่มีอะไรจะว่าอีกแล้วเหลือแต่จะขอเน้นเป็นคำขาดว่าการครองเรือนเราเริ่มต้นด้วยความรักระหว่างพ่อกับแม่ ดำเนินมาตลอดรอดฝั่งด้วยสองคนเราผัวกับเมียตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมผัวเลื่อนฐานะขึ้นเป็นพ่อและเมียก็เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งแม่ภารกิจของพ่อกับแม่สุดลงแค่เลี้ยงลูกให้ดีมีวิชาความรู้แล้วก็ปลูกฝังให้ลูกเต้าได้เป็นฝั่งเป็นฝานี้คือภาระของพ่อแม่สิ้นสุดส่วนใครจะมีแก่ใจรับเลี้ยงหลานต่อไปหรือไม่ นั่นเป็นอุปการะคุณพิเศษของผู้นั้นเองเรือนชั้นในเรือนชั้นนอกจบแล้ว